ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่55โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่55ให้คติธรรมหัวข้อว่าถ้าพร่ำสอนคนอื่นเช่นใด ก็ควรทำตนเช่นนั้นอันนี้คือการที่จะแนะนาบอกกล่าวคนอื่นเราต้องผ่านการศึกษาเรื่อาการเรียนรู้เรื่าการประพฤติปฏิบัติของตนเองมาพอสมควรแล้วจึงจะแนะนำบอกกล่าวแนะนาสั่งสอนคนอื่นอ่ไม่ใช่ว่าเราทำอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ให้คนอื่นทาอีกอย่างหนึ่ง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 ให้กับไวใน MP3 เพื่อเป็นหลายลักอักษรหรือว่าเป็นที่ให้พวกเราได้ยินได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเพราะนั้นด้วยอำนาจคุณพะ ร, ระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทัง้งหลาย